บทที่หกสิบสามพบนารีผลวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัฒหารเช้าเสร็จเรียบร้อยภิกษุชาวไทยทั้งเจ็ดรูปก็ลาจจเจ้อาวาตวัสยาโมปาลีเพื่อเดินทางไปเขาสิคริยารถบัสไปรับคฤหัสน์ที่โรงแรมก่อนแล้วจึงมารับพระภิกษุทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้มีเวลาปฏิบัติสมณกิจ มีลงอุโบสถทำวัดสดมนต์เป็นต้นบรรดาญาติโยมได้ร่วมกันทอดผ้าป่าและถวายปัจจัยบำรุงวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พระอุบาลรีที่ท่านได้ทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาให้ยืนยาวมาถึงปัจจุบันเวลาเก้านาฬิการถบัสก็มาจอดที่ลานจอดรถเชิงเขาสิคริยา พระครูบุญมีทำหน้าที่มากุเทศนิมนต์พระภิกษุและเชิญชวนครือัดลงจากรถเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนยอดเขากันนะครับเขาทําทางเดินไว้เป็นช่วงๆบางแห่งที่ชันมากก็จะมีบันไดเหล็กให้ไต่ขึ้นไปที่ไม่ชันนักก็จะมีรถขนาดกว้างพอเดินสวนกันได้ก็ขอให้เดินอย่างระมัดระวัง บนยอดเขามีอะไรคะท่านหม่อมเจ้าหญิงภูน พ, พิสมัยรับสั่งถามมีพระราชวังของกษัตริย์โบราณจะโยมหม่อมเจ้าพระองค์ทรงใช้สร้างพระราชวังไว้สำหรับประทับแรมเวลาเสด็จมาทรงลาดสัตว์ทำไมถึงสร้างบนยอดเขาคะแบบนี้คนสร้างก็ลำบากแย่เพราะต้องขนวัสดุ ข, ขึ้นไปบนเขารับสั่งถามอีกพระมกุเทศจึงอธิบาย เป็นความเชื่อของชาวฮินดูว่าการอยู่ในที่สูงจะได้ใกล้ชิดกับเทพเจ้าบนสวรรค์เขาสิคิริยาเดิมชื่อเขาสีหะคีรีแปลว่าภูเขาแห่งราชสีเพราะมีรูปล่างคล้ายราชสีหมอบปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศแต่สำหรับชาวฮินดูนั้นเขายังคงเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ และพยายามขึ้นไปให้ถึงยอดเขาเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับเทพเจ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันพยายามขึ้นให้ถึงยอดเขานะครับถ้าหลงกันก็ให้กลับมารอที่รถเราจะออกจากที่นี่สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วตรงไปยังเมืองโคลัมโบโดยไม่แวะที่ไหนอีกอาหารกลางวันเตรียมมาในรถแล้วเราชั้นเพนและรับประทานอาหารกันในรถ เข้าใจตามนี้แล้วนิมนต์และเชิญลงจากรถได้อย่าลืมมาให้ทันเวลานะครับเราจะออกจากที่นี่11นาฬิกาตรงให้ทันประชุมตอนบ่าย2โมงประชุมเสร็จก็จะไปสนามบินกันเลยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จึงลงจากรถก่อนอเครื่องหัดลงทีหลังแล้วก็พากันเดินขึ้นเขาปาบปนกับชาวต่างประเทศ และชาวศีลังกาซึ่งพากันมาชมทัศนียภาพของภูเขาลูกนี้เวลาผ่านไป20นาทีท่านพระครูก็ไม่เห็นภิกษุอีกหรูปส่วนญาติโยมก็มีแต่อาจารย์เนื่องวัยเจสแต่ผู้เดียวที่เดินตามหลังท่านมาคณะเราหายไปไหนกันหมดท่านถามอาจารย์เนื่องเหลียวหลังไปดูแล้วตอบว่าเมื่อกี้ยังเดินตามดิฉันมาอยู่เลยค่ะ เผลอเดียวหลงกันใช่แล้วโยมคอยดูอาตมาไว้นะอย่าให้หลงกันละ่ะเพราะอย่างน้อยก็จะได้มีเพื่อนกลับไปที่รถเจ้าค่ะดิฉันไม่ยอมให้ท่านคลาดสายตาแน่มิฉะนั้นอาจจะต้องอยู่เฝ้าภูเขาลูกนี้เพราะกลับไม่ถูกจะพูดภาษาสิงหลนอยอย่างท่านก็ไม่ได้กรั้นจะใช้ภาษาอังกฤษ หรือก็งูงูปราปลาประดิชันเป็นครูภาษาไทยแล ะ, กะเกษียณมาตั้งสิบปีแล้วอาจารย์วัยเจ็ดสิบตอบอย่างรักตัวกลัวถูกทิ้งเมื่อเดินมาถึงทางชันซึ่งมีบันไดเหล็กแคบๆให้ปีนขึ้นไปก็ให้ท่านพระครูขึ้นก่อนแล้วจึงตามขึ้นไปติดๆเดินไปได้พักใหญ่ๆก็รู้สึกเหนื่อยด้วยวัยและสังขารไม่อำนวย ท่านคะหยุดพักสักครู่ก่อนได้ไหมคะดิฉันเหนื่อยคะ่ะอ้าวเหนื่อยแล้วหรือถ้าพักประเดี๋ยวก็จะลงมาไม่ทันเวลารถออกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาตมาจะบอกวิธีแก้เหนื่อยโยมเคยเข้ากรรมฐานมาบ้างหรือยังยังไม่เคยคะ่ะดิฉันเคยแต่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นคิดว่ากลับเมืองไทยคราวนี้เห็นจะต้องขออนุญาตไปเข้ากรรมฐานที่วัดของท่าน ดิฉันเห็นท่านมีอะไรอะไรพิเศษไปกว่าพระกุณเจ้าที่ดิฉันได้รู้จักพิเศษที่ว่าท่านคงได้มาจากการเจริญพระกรรมฐานใช่ไหมเจ้าคะท่านพระครูไม่ตอบเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะนํามาพูดกันท่านพระครูไม่ตอบเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะนํามาพูดจากกันหากเป็นเรื่องของการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติจึงจะรู้ การพูดไม่อาจทำให้รู้ได้เอาไว้โยมไปเข้ากรรมฐานแล้วจะรู้เองวัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับแต่ตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นเขาอัตมาจะบอกเคล็ดว่าเดินอย่างไรจะไม่ให้เหนื่อยโยมฟังให้ดีนะอันดับแรกให้หายใจยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วจะรู้สึกว่ามีพลัง เพราะลมหายใจเป็นพลังชีวิตถ้าไม่หายใจชีวิตก็ตั้งอยู่ไม่ได้ลำดับต่อไปก็ให้ตั้งสติไว้ที่เท้าเมื่อไต่บันไดก็ให้กําหนดยกนอพร้อมกับยกเท้าขึ้นและกําหนดเหยียบนอขณะเหยียบขั้นบันไดเดินกําหนดยกนอเหยียบนอไปเรื่อยๆตามอาการที่เป็นจริงเมื่อถึงทางลาด ก็ไม่ต้องยกเท้าสูงเหมือนตอนขึ้นบันไดให้เปลี่ยนมากำหนดว่าขวาย่างหนอขณะก้าวเท้าขวาซ้ายย่างหนอขณะก้าวเท้าซ้ายถ้าเดินเร็วก็กำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายก็พอลองทาดูนะยโยมนะอาตมาทำได้ผลมาแล้ว อาจาร์เนื่องทำตามที่ท่านพระครูแนะนําอาศัยที่สวดมนต์ทวัดทุกวันจิตตั้งมั่นได้เร็วและสามารถเดินขึ้นมาถึงยอดเขาได้อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเคล็ดลับของท่านวิเศษจริงๆเจ้าคะ่ะดิฉันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนี่ดิฉันนำไปบอกคนอื่นได้ไหมเจ้าคะ่ะได้แต่ต้องเลือกคนคือต้องดูว่าคนคนนั้นเขามีทูนอยู่บ้างหรือเปล่า ถ้าไม่มีทุนถึงบอกไปเปล่าประโยชน์เขาทำไม่ได้แน่สำหรับโยมอาตมามองหน้าก็รู้ว่ามีทุนอยู่มากโยมจึงปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดายทุนที่ว่านี้อาตมาหมายถึงบุญกุศลโยมมีบุญกุศลที่เกิดจากภาวนาไมยอาตมาจึงบอกเคล็ดลับให้ดิฉันต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพูดพร้อมกับกระพุมือไหว้ แม้ข้างบนนี้อากาศดีจังนะเจ้าคะ่ะรู้สึกว่าหายใจได้คล่องนี่กระมังที่คนฮินดูเขารู้สึกว่าได้อยู่ใกล้จิตเทพพระเจ้าบนสวรรค์ก็คงจะเป็นอย่างนั้นลองช่วยกันมองหาพวกเราสิเผื่อจะมีคนขึ้นมาถึงก่อนคงไม่มีหรอกเจ้าคะ่ะเพราะท่านเดินออกหน้าคนอื่นๆแล้วดิฉันก็ตามท่านมาติดๆนั่งรอสักประเดี๋ยวอาจจะมีคนตามมา ว่าแต่ว่าไม่มีที่ให้นั่งเลยทำอย่างไรดีแล้วเจ้าคะไม่เป็นไรอาตมาไม่เมื่อยถ้าโยมจะนั่งก็นั่งลงกับพื้นนั่นแหละอาตมาขอเดินดูทางโน้นหน่อยท่านเดินไปที่มุมเขาด้านทิศเหนือมองลงไปข้างล่างเห็นผู้คนตัวเท่ามดรถบัสคันเท่ากล่องไม่ขีดจึงเดินมาบอกอาจารย์เนื่องเขาลูกนี้สูงมากนะโยม อาตามามองลงไปข้างล่างเห็นคนตัวเท่ามดโยมจะดูไหมตรงมุมนั้นนะ่ะคงไม่หรอกเจ้าค่ะดิฉันกลัวตาลายเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปจะลําบากดิฉันอายุเจสิบแล้วนะเจ้าค่ะขึ้นมาถึงบนนี้ได้ก็นับว่าบุญแล้วจริงสิอาตามามนึกว่าโยามอายุไล่เลี่ยกับอาตามามที่แท้เจ็ดสิบแล้หรือเจ้าค่ะ เจ็ดสิบเต็มก่อนที่จะมาสีลังกาวันเดียวเองนี่กี่โมงแล้วท่านเปลี่ยนเรื่องถามอาจารย์เนื่องดูนาฬิกาข้อมือข้างซ้ายแล้วเรียนท่านว่าสิบโมงตรงเจ้าค่ะแสดงว่าเราขึ้นมาใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงไม่น่าเชื่อนะเจ้าค่ะ ว่าจะเป็นไปได้อาจารย์วบยเจสรู้สึกชะ ง, งนที่เป็นไปได้เพราะอัตมาใช้คาถาย่นระยะทางนั่นต่างหากท่านพระครูพูดในใจส่วนนอกใจนั้นท่านพูดว่าเราลงกันเถอะประเดี๋ยวจะไม่ทันรถอัตมารับรองว่าคณะเราไม่มีใครมาถึงยอดเขาเพราะต้องใช้เวลามากและพระครูบุญมีท่านให้เวลาแค่สองชั่วโมง ซึ่งไม่พอที่จะขึ้นและลงให้ทันสิบเอ็ดนาฬิกาสงสัยท่านคงไม่ขึ้นจึงให้เวลาแค่นั้นลงก็ดีเหมือนกันเจ้าค่ะดิฉันดูดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากอากาศบริสุทธิ์กว่าข้างล่างน่าจะมีพระพุทธรูปให้กราบสักองค์ก็ยังดีอาจารย์วัเจ0สบบ่นไกลๆแล้วก็ลุกขึ้นเดินตามท่านพระครูลงมา ขาลงไม่ต้องเหนื่อยเท่าขาขึ้นหากก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังท่านพระครูนั้นต้องระวังเป็นสองเท่าเพราะขาลงต้องสวนกับคนที่เดินขึ้นท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเกรงจะมีศีกาเดินมาชนเดินยังไม่ถึงครึ่งทางท่านรู้สึกปวดเบาหากก็คิดว่ากลั้นเอาไว้จนกว่าจะถึงข้างล่างทว่าอาการปวดกลับรุนแรงขึ้นจนไม่อาจกลั้นได้ จึงบอกอาจารย์เนื่องว่าโยมอาตมาปวดท้องเบาช่วยมองหาที่ให้เบาหน่อยเถอะคงยากนะเจ้าคะ่ะคนเดินออกพุกพร่านอย่างนี้คงหายากยังไงท่านกลั้นเอาไว้หน่อยก็แล้วกันถึงข้างล่างค่อยเข้าห้องสุ ข, ขาอาจารย์เนื่องตอบคิดในใจว่าเราหิวน้ำแต่ท่านกลับปวดปัสสาวะเรียกว่าทุกข์กันคนละแบบ กั้นไม่ไหวหรอกโยมมันทําท่าจะปลิบออกมาแล้วละ่ะท่านท่องคาถาสิเจ้าคะ่ะคาถาบทไหนก็ได้ที่ทําให้หายปวดดิฉันกําลังกระหายน้ําท่านช่วยให้คาถาทําให้ไม่กระหายน้ําด้วยเถอะเจ้าคะ่ะอัตมาไม่มีคาถาที่ว่านั้นหรอกโยมโอ้โหทำไมโยมคิดไปไกลถึงขนาดนั้นถ้าอัตมามีคาถากลั้นเบากลั้นหนักได้ก็ดีนะสิ เรื่องอย่างนี้มันเป็นกฎธรรมชาติใจโยมไม่มีใครฝืนกฎธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นผู้วิเศษมาจากไหนที่สำคัญคืออัตมาไม่ใช่ผู้วิเศษฉะนั้นจึงไม่มีทั้งคาถากลั้นหนักรั้นเบาและคาถาแก้กระหายน้ำเพราะว่าฝืนกฎธรรมชาติไม่ได้นี่อัตมาปวดเบาจนแทบจะปลิบออกมาแล้วช่วยมองหาที่รับตาให้คนปลดทุกข์หน่อยเถอะ อย่าให้อัตมาต้องรบกวนเท้าจาั ก, กรินเทวราชอีกเลยท่านพูดอะไรนะดิฉันไม่เข้าใจสงสัยท่านปวดมากจนเพออาจารย์เนื่องลงความเห็นอัตมาไม่ได้เพอเอาเถอะและจะเล่าให้ฟังตอนนี้ช่วยมองหาที่ให้อัตมาปลดทุกข์ก่อนอาจารย์วัยเจสเห็นอาการกระสับกระส่ายของท่านพระครูก็ให้รู้สึกสงสาร บังเอิญสายตาเหลือไปเห็นทางเดินเล็กๆด้านขวามือจึงเรียนท่านว่าท่านเจ้าคะทางขวามือมีทางเดินเล็กๆแยกออกไปท่านลองเดินออกไปดูเผื่อจะมีที่รับตาคนจะได้จัดการปรดทุกข์ออกไปเสียดิฉันจะเดินตามไปห่างๆเผื่อหลงจะได้มีเพื่อนใครหลงอัตมาริอโยมใครก็ได้ถ้าท่านหลงก็ยังมีดิฉันเป็นเพื่อน หรือว่าถ้าดิฉันหลงก็ยังมีท่านเป็นเพื่อนนิมลเดินแยกไปทางขวาเลยเจ้าค่ะท่านพระครูรับนิมนอย่างง่ายดายด้วยรู้สึกทุกข์เจียนจะทนไม่ไหวท่านเดลัดเลาะไปตามทางแคบๆซึ่งวกวนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งตรงซอกเขาหันไปบอกอาจารย์เนื่องว่าได้ที่แล้วยอมรอเดี๋ยวนะอาตมาขอเข้าไปในถ้ำหน่อย นิมนต์เจ้าค่ะขอให้หายทุกข์หายโศกนะเจ้าค่ะอาจารย์ใบเจ็สบอวยชัยให้พรขอบใจโยมมากอ่อถ้าโยมกระหายน้ำจนทนไม่ไหวก็ให้ดื่มปั ส, สวะของตัวเองนะใช้เป็นยาแก้กระสายได้ดีอีกด้วยสมัยพุทธกาลเวลาภิกษุอาพาธพระพุทธองค์ตรัสแนะนำให้ดื่มน้ำมูดของตัวเองเพื่อรักษาโรค ต้องของตัวเองนะอย่าไปดื่มของคนอื่นน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะดิฉันพอทนได้เจ้าค่ะคงไม่ถึงกับต้องดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองนิมนต์ท่านเถิดเจ้าค่ะท่านพระครูเดินเข้าไปในถ้ำหมายจะหาที่ถ่ายเบา เมื่อเดินลึกเข้าไปแสงสว่างก็น้อยลงทุกทีทุกทีครั้นจะเข้าไปถึงกลางถา้ำก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพบคนนั่งอยู่บนแท่นหินซึ่งสูงจากพื้นราวหนึ่งซอกเพ่งดูว่าบุคคลผู้นั้นเป็นใครเมื่อสายตาชินกับความมืดก็พบว่าผู้ที่ท่านเห็นเป็นพระสิงหนนุ่งห่มจีวรดำ นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่จึงนั่งลงกราบสามครั้งและเพ่งพิจารณาอย่างพินิษพิเคราะห์ภิกษุรูปนี้อายุคงอยู่ในราวห้าสิบเศษผมยาวประมาณหนึ่งนิ้วหนวดคลาวเฟิรมแสดงว่าไม่ได้โกนมาหลายเดือนเมื่อพิจารณาดูใกล้ๆจึงรู้ว่าจีวรที่ท่านห่มนั้นไม่ใช่สีดำหากเป็นสีน้ำตาลไมเมื่อเข้ามาอยู่ในถ้ำมื ด, มด จึงเห็นเป็นสีดำภาพของภิกษุสิงหนทํทำให้ท่านนึกไปถึงหลวงพ่อในป่าชะลอยพระรูปนี้จะมีคุณวิเศษเช่นเดียวกับหลวงพ่อในป่ารูปนั้นกระมังแต่แล้วความคิดดังกล่าวก็มาลายไปสิ้นเมื่อพบว่าเบื้องหลังของพระสิงหนนมีสตรีสาวสวยยืนอยู่ในชุดวันเกิดอคติพลันเกิดขึ้น ท่านนึกตำหนิบรรพชิตตรงหน้าว่าพระรามกแอบเอาผู้หญิงเข้ามาไว้ในถ้าท่านใดนั้นผู้ที่นั่งขัดสมาธิก็ลืมตาขึ้นพูดกับท่านโดยภาษาสิงห์นว่าอย่าด่วนตำหนิผมขอให้ดูใหม่อีกทีว่าใช่ผู้หญิงหรือเปล่าอย่าดูด้วยตาเนื้อแต่จงดูด้วยวรยานหรือวรรปัญญา ถ้อยคำของพระสิงห์ผลทำให้ท่านพระครูรู้ว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาแต่จะต้องเป็นพระอภิญญาถึงได้อ่านใจผู้อื่นได้ท่านจึงดูใหม่อีกครั้งโดยใช้วรรพัญญาแทนตาเนื้อแล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่ท่านเห็นไม่ใช่ผู้หญิงหากเป็นผลไม้ด้วยว่าที่ศีรษะมีขั้วคล้ายขั้วมังคุดติดอยู่พลัน ท่านก็นึกถึงเรื่องที่ยายเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กจึงถามพระสิงหนลว่ามักระีผลใช่ไหมถูกแล้วมักระีผลกับนารีผลเหมือนกันไหมครับเหมือนกันจะเรียกมักระีผลหรือนารีผลก็ได้ที่จริงต้องเรียกมักระีผลเพราะมันเป็นช่องทางแห่งกรรมคุณเป็นที่ตั้งแห่งกรรมคุณทั้งห้า คือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสบุรุษใดได้เห็นจะติดใจไหลลงท่านได้กลิ่นไม่ละนั่นแหละกลิ่นเข้าละหอมตลบอบอวลไปทั้งถ้ำเลยท่านพระครูจึงได้คำตอบว่ากลิ่นหอมประหลาดมากระทบจมูกท่านตั้งแต่ย่างกรายเข้ามาในถ้ำนั้นเป็นกลิ่นอะไรท่านได้สิ่งนี้มาจากไหนครับป่าหิมพาน แสดงว่าท่านได้ฌานสมาบัติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรท่านเองก็ได้เช่นกันสำหรับคนที่มีความเพียรพยายามมันไม่ใช่เรื่องยากใช่ั้มท่านพระครูไม่ตอบหากพูดกับพระสิงหหนว่ากระผมขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมครับนิมนเมื่อได้รับอนุญาตภิกษุวัยสี่สิบเศษจึงคลานเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดูให้ละเอียด สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงบัดนี้มันได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วคำทำนายของหลวงตาหลวงปูน่นาคและหลวงพ่อสดที่ว่าท่านจะได้พบนารีผลที่ประเทศศรีลังกาตอนอายุ43บัดนี้ท่านได้พบแล้ว